เคยไหมเวลาเห็นดอกบัวเวลาเห็นดอกไม้แต่เราจะสิ่งไงสวยเชามีอะไรไหมีเคยบ้างไหมีเราต้องมีนะบางทีก็าตงไเดินสวน ดอกชอบนะบางดอกอาจจะรู้สึกประหลาดนอันนี้นี่คือความรู้สึกนยบางทีเอ้างยก็เดินมเดิน่อไปนะถินขาบางอย่างสะดุดตาสะุดตาเฉยนะบางอย่างบางด่านสะุตาสะุใจใจรู้สึกรู้สึกได้บังอย่างที่สึตาสุใจแล้วก็ ต้องไปเอาไห้ได้ใช่แต่บางอย่างก็เฉยบางอย่างก็เฉยนะก็อยู่บางอย่างก็อะไรอะสงสัยสงสัยทำทำไมราคาเท่าอะไรนั่นนี่มันอันนี้คือมันอาจจะเกิดขึ้นนะเกิดความรู้สึกเวลาเราตาเราเห็นตาเราเห็นยังไม่แต่ตาได้ยินเสียงก็เหมือนกันเสียงเพลง ไปรู้สึกไหมบางทีเป็นที่เราใส่อบมากมากแต่สักพั้นหนึ่งก็เกือบนะฮะสักปั้มันก็เฉยนะฮะมันจะเห็นความรู้สึกที่มันมันเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงอันนี้แหละที่อาจารย์สุวัสดิว่ามันจะเห็นใรักเห็นใจรักก็คือใจเราเนี่นแหละก็เป็นไจรักของอื่นก็เป็นใจรักนะทำให้เห็นใจรักไม่ใช่ว่าเห็นไม่ใช่เห็นเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงมัน ใหม่ๆแล้วก็ต่างๆแล้วก็เก่าเนี่ยใช่ไหมหรือว่าของนดอกไม้เนี่ยก็ไม่เที่ยงบ้านั้นก็ก็ล่วงเลยอันนั้นไม่ใช่นะแต่มันเห็นมีอย่างก็คือว่าความรู้สึกในใจเราเองเนี่ยที่มันมีต่อสิ่งต่างบางทีก็ไม่เที่ยงมีไหมความรู้สึกเช่นความรักจะรักพ่อรักแม่รักเพื่อนรัก เ, กเป็นแบบแฟน รักแบบรูปอะไรก็แล้วแต่มันสังเกตมันไม่เที่ยงนะใช่ไหบางวันรักมากบางวันก็รันแบบต้องการบางวันก็รู้สึกไม่พอใจเงี้ยหงุดหงคืออันนี้แม่แต่ตอนรักที่บ่อยสุดแบบพ่อแม่รักลูกนะบางทีก็ยังรู้สึกโมโหที่ลูกดื้อเลยนะคือพอหรือลูกเองก็รักพ่อแม่แต่บางทีเรรู้สึกแม่ไม่เข้าใจเราใช่ไหม า็รักอยู่แต่แบบรักแบบโกดโกดธอันนี้คือมันเที่ยงนะไม่มเที่ยงนะอันนี้ที่ิงมันก็แสดงให้เราเห็นนะแต่พ อ, มอเมื่อไหร่ที่เราหลงเราต้องอย่าไปคิดว่ามันมันต้องเป็นอย่างที่เราต้องการหรือเป็นอย่างที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นใช่ไหมอันนี้อันนี้คือความรู้สึกเกี่ยวที่ว่าเราจะทงอะไรเราถึงจะรู้สึกตัว เนี่ยรู้สึกตัวแห้ได้บ่อยที่สุดเท่าที่ทําได้ะบ่อยที่สุดเท่าที่ทําได้อันนี้ถ้าเราใช้ชีวิตประจำวันก็ดีหรือว่าเวลาเรา บ, น บ, น บ, นบนันี้ปฏิบัติเนียมีความรู้สึกอย่างไรเกิดขึ้นนอกจากรู้สึกตัวแล้วความรู้สึกอย่างอื่นเกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างในใจของเราหรือความรู้สึกกับกายก็ได้นะ ม้วงนอนใครม้วงนอนเอ่อม้วนนอนดัดไหมมีแวบนะอืมแวบตอนนี้ม้วงอยู่ไหมม้วงเท่าเดิมไหมไม่เลยไม่เท่าเดิมนะอืใครมีความสงสัยเกิดขึ้นบ้าง เยอะๆมากมาในใจของเราคนใหม่ๆหมสนใจไหมนุ่มๆสาวๆใหม่ๆไม่สนใจเรือหล ดในใจเราในวันนี้ที่มันปวดพูดในใจนะอนรกเราคิดทไมต้องทําดีเนี่ยค่ได้หรือเปล่าแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้มันมีคำตอบในใจเราหมีแต่ไม่น่ใจ อ, อ, นนอือ ไม่ได้สำคัญแต่ท่าสิบสี่จังหวะหรือ ว, ว่าแค่พลิกมือคล้อมือหรือยิงยกขึ้นยกลงอะไรธรรมดาไม่ได้สำคัญนะไม่ไสําคัญเพียงแค่อย่างที่ว่าทําให้มันงมีสติโต้ตัตวไอ้ท่านี้อาจจะในแง่ดีหน่อยก็เหมือนมันเป็นท่าที่ไม่เหมือนในที่ประจําบันเราทําบางทีถ้าเราบอกว่าให้มีสตินะทําอะไรก็ได้ให้มีสติ มางทีพอเราไปทำอะไรที่มันแบบมันเป็นอะไรที่เราคุ้นชินนะเช่นอย่างสังเกตไห้ตอนกินข้าวตอนยกสี่จําหวะตอนแหลมมีสี่ากกวากันสี่จังหวะนะคือพอเรากลับไปคุ้นชินกับอะไรเราอย่างที่เราเคยทำมาก่อนนะเช่นกินข้าวแปลงปาขวานบ้านหรือม่แต่การพูดคุยความคยชินนะมันจะทำให้เรา ขาดสติไปบ่อยเพราะว่าเราพอก่อนนะั้นเราเคยชินที่จะทําแบบทําไปคิดไปทําไปแล้วก็ไม่ได้สนใจแต่การพอทําในรูปแบบเหมือนเป็นภาพที่เราไม่เคยทําเราก็เลยเพิ่มความตั้งใจเข้าไปนะเราเพิ่มความตั้งใจเข้าไปมันก็เลยทําให้อะไรที่เมื่อกี้มันจอนเดินไปมันก็เลยมาพอดีอืมาพอดีแต่บางคนก็อาจจะตั้งใจมากไปก็กลายเป็นเคร่งไปตึงไป มันใช้ใชกับเพิ่มความตั้งใจในท่านนี้แต่ก็คนเก่าเองจนรู้ดีพอทำไปจนชีนมือชีนมือมันก็ทำไปด้วยคิดไปด้วยงงไปด้วยเรียนได้มันมันป็นชินมันกลายเป็นท่าที่เราทำหลายปีทำาหลายรอบเลยนะก oh ็ถ้าแบบนี้ก็ดีตัางท่าวางมันใหม่นะวางใหม่ทนะ่านท่าน เม่อกี้เหมืนไม่เม่ค่อยสดชื่นนะหน้าใหม่แต่นะเราก็เครื่องใหม่มันต้องเหมือนเอาเรื่มใหม่เครื่องใหม่นะนี่คือเป็นผ้าที่เหมือนแค่ช่วยแต่พอเราทำแบบนี้เป็นวันเราไปอย่าที่ว่ามือมนเอื้อมมันจะมีอ๋มันมีจิตมันจํา สภาวะที่มเคลื่อนได้ครือมันเคลื่อนเมื่อกี้เสลื่อนแบบขาดสติแล้วใช่อยากกินแต่พอความรู้สึกตัวที่มันรู้สึกเหมกายที่มันเคลื่อนอ oh ๋มันเลยได้ส ต, ติเมื่อกี้ขาดสติรีบคว้าแต่พอมีสติอ๋อก็ตอนกลับเข้ามาก็จะมีสติเพิ่ม oh ขึ้นอันนี้คือมันจะทําให้ีพอเราเคลื่อนบ่อยๆจิตมันก็จะรู้สึกอ๋อ oh อันนี้คือให้เราเรู้เ น, นื้อรู้ตัว แต่มันก็จะขาดไปบ้างเป็นบางช่วงบางขณะนั่นแหละมีอีกไหมสงสัยเรื่องการรูจิจากวีดีโอแรกที่น้องคนที่สัมภาษณ์อะค่ะจริงๆก็คือทล้ายๆปัญหาคล้ายๆนนก็คือเวลาทำงานก็คือจม คือที่จริงสมาธิมันก็เนี่ยพิโรมาต่อสมาธิโยงลงไปในงานมันมันก็ดีแต่ต้องแยกว่าอันะั้นเป็นสมาธิที่เป็นสมาธิแบบทางโลกนะที่จริงก็คนที่ประสบความสาเร็จหรือคนที่เป็นจริงหลายคนก็ก็ใช้สมาธิแบบนั้นเราเรียนเราก็แบบเหมือนไปกินแบบเนื้อหาที่เรียนเราเล่นกีฬาเราก็กินกป็นแบบ การฝึกซอ้อมนักนดนตรี่็กินนะมันต้องใช้ใจกินที่การเล่นเข้าไปเหมันวิวอารมณ์เข้าไปมันแต่นั้นคือเป็นสมาธิในทางโลกแต่นี้เราจะฝึกว่าให้เป็นผู้ดูมันอีกทีหนึ่งเมื่อกี้ตอนที่เราดูอ่ะเราเห็นตัวเองดูไงที่เห็นตัวเราเป็นผู้ดูด้วยเห็น เห็นิดีโอที่เขาแสดงให้เราเห็นด้วยนี้คือมันจะเห็นทั้งตัวเองเห็นทั้งสิ่งที่ถูกดูเป็นตัวนี้คือว่ามีสติในขณะที่ทํางานมีสติในขณะที่ทํางานแต่แต่ถ้าเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดในขณะที่คิดเติร์นใหญ่เราจะเราจะรู้ตัวเองไม่ได้ครับแต่ถ้าตอนที่คิดเพราะว่าอะไรจิตที่รู้กับจิตที่คิดเนี่ย มันเป็นเหมือนสิ่งเดียวกันโยมหมายจะมาพูดอยู่เนี้นยโยมก็แยม่ง ไ, ไม่ได้มันเหมือนจิตเราก็คือไม้นะ่ยมันพูดได้กี่ะคนมันบอกที่นั่นมันมานั่งโยประมันแทะไม่ได้จิตขณะที่คิดมันก็จะไม่รู้กลัวแต่เราตั้งใจคิดไปนะถ้าเป็นงานอาศัยการตั้งใจคิดแต่ครนี้ถ้ามันเกิดความคิดอย่างไปที่แวะไปที่ไม่เกี่ยวออกมานะ เช่นโตข้างๆเสียงดังเราใจเราอยู่ตรงงานแต่เราได้ยินเสียงโตงข้างๆเลยเกิดความไม่พอใจขึ้นไอ้ความไม่พอใจนะั้นใช่งานไหมแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราเกิดจอคือถ้าเราแบบกำหนดแต่กับงานเราต้องดีต้อ ง, องทาเด็ดเราจะลองคานเขาแล้วจะรู้ว่าเขาทํำให้งานเราไม่ดีหรือว่าอารมณ์เราเสีย แต่ถ้าเรามีสติเพราะเมื่อกี้เรามีสมาธิในการทํางานคราวนี้พออารมณ์ไม่พอใจขึ้นมาเขาจะมีสติและรู้ว่าไม่พอใจขึ้นมาอันนี้คือเรียกว่าสติที่มันแวบขึ้นในขณะที่แทะกลางทํางานหรือที่จริงถ้าเราฝึกสติดีมันจะเหมือนบางทีเราก็ใช้สติและรู้บางทีเราก็ใช้สมาธิในการตั้งใจทํางานมันจะไม่เหมือนมันเหมือ น, ในใคล้ายค้คิด เป็นช่วงแล้วก็พักแล้วก็คิดเป็นช่วงแล้วพักเหมือนมาพูดแต่โยมถ้ามาพูดยาวไปเรื่อยนะไม่มีจังหวะเว้นวรเนี่ยเราเหนื่อยเราเหนื่อยกระบวนการที่เราใช้ความคิดแบบต่อเนื่องแบบยาวๆมันก็จะสมองก็เหนื่อยจิตใจก็เหนื่อยนะมันจะเหมือนเวลาเราทำงานเราก็เจอเรู่จักคิดแล้วก็พัก นิดนึมีสติพักผ่อนสมองรู้สึกตัวขึ้นใหม่แล้วก็คิดใหม่เนาะมันจะคิดเป็นแบบคิดแล้วก็จบอ่ะแล้วก็คิดใหม่มันมันจะไม่เหนื่นนนยอยถ้าทํางานแบบมีสติแบบนี้นะมันคิดแล้วก็แล้วก็วาแล้วก็คิดใหม่แล้วถ้าอะไรที่มันแทรกขึ้นมาเช่นอารมณ์โกรธไม่พอใจขึ้นมาเราก็จะรู้ทันอันนี้ไม่ใช่งา แล้วก็มีสติรู้หรือบางทีบางอย่างขณะที่เราทํางานมันไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวเรายังมีการขณะที่ทํามาแล้วกิกนน้ําแต่ส่วนใหญ่คนถ้าเราจมกับความคิดเราก็จะไม่สนใจ ก, กินน้ํานะสมองก็คิดไปร่างกายก็เริ่มไปกินน้ํความเป็ชาติแต่ถ้าตอนนั้นเราจะรู้จักเดรกบ้างกินน้ําก็วางความคิดก่อนกินน้ําก่อนเมื่อกินน้ําเสร็จ ปัจจัความคิดต่อดังนั้นถ้าทำแบบนี้มันจะไม่หาเป็นวันคือเราจะไม่โจนไปอยู่ของงานเป็นวันเราจะตั้งใจําวนาเป็นขณะแล้วก็วางมันแล้วรู้ตัวสลับแทรกไปเลยมันมันก็เด้เหมือนอย่างอาจารย์รูทธาเมื่ยกี้พูบอกว่าเหมือนคล้ายๆเหมือนวันทั้งวันไม่ทำอะไรเลย คือถ้านรู้สึกถึงการพักผ่อนอยู่ทุกขณะขณะที่ทําไม่ใช่ว่ารอทําให้เสร็จแล้วถึงจะพักแต่มันทําแล้วก็วางทําแล้วก็วางไปขณะที่ที่ทําไปด้วยๆแง่เราต้องสังเกตแล้วจะเห็นว่าเราทุก่อยๆจะมีความรู้สึกแทรกแทะแทะแทะแล้วที่สําคัญในช่วงที่จริงหมาไม่มีใส่คิดงานทั้งวันหไม่มีใส่คิดทั้งวันอืม เรื่องงานนะจะมีเรื่องอื่นที่คิดแทกเข้ามายเยอะเหลือเกินแต่เราก็ไปคิดว่ามันดาเป็นนะแต่สิ่ส่วนอาจจะเราต้องตึกเริ่มต้นจากการวางอะไรง่ายๆก่อนเช่นาตอนนี้กินข้าวขอวางงานตอนนะีตั้งใจในสิ่การกินข้า ว, อารราวตอนนี้อยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับลูกใช่ไหมวางงานก่อน อยู่กับคนที่เราอยู่ข้างหน้าใช่ไห ม, อ, มอันนี้คือเราต้องฝึกนะมีปฏิสัมพันธ์กับข้าบบงหน้าของเราเฉพาะให้มันถู่มันจะทาให้การมีมสติแล้วก็การมีสมาธิเมื่อจะอยู่ด้วยกันแล้วก็เราจะรู้จักเหมือนเปลี่ยนโหมด <c oughs> เปลี่ยนโหมดปรับนะปรับอะไเองแล้วก็แต่บางทีสมาธิในในการทำงานบางทีมัน มันจะเป็นสมาธิที่จมไปจมเกินไปอยูเนี่ยเราสคงเข้มบางทีเราทํางานเป็นจมไปเลยคนรอบข้างจะทําอะไรก็ไม่สนใจไม่ได้รู้สึกไม่ได้สนใจเลยเนะก็มีนะหรืบางทีเราอ่านหนังสือเล่นชอบามากทิ้งมากอะไรเยอะเกิดขึ้นรอบข้างก็ไม่สนใจเลยขณะที่คิดงานหรือเขียนงานแบบโลกงก็มีแต่เราคนเดียวนะอันนี้สมาธิมากเกินไปนะ ถ้าทํางานแบบนี้มาว่ามันก็งานบางานบางอย่างก็อาจจะดีแหละแต่มันก็จะทําให้มันต้องมันมันจุดจ่อเกินไปยองขอทํางานตั้งหน่อยถ้าเราขอเมาตั้งหน่อยเราจะทํางานก็ได้เราก็รู้ทุงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้รอบตัวเราก็ได้โดยไม่เป็นอุปสรรคเลยนะไม่เป็นอุปสรรคในการทํางาน แต่ก็อันนี้มันก็อธิบายยากแต่ถ้าถ้าลงปฏิบัติแล้วดลงเข้าใจลงก็จะไม่มีไม่มีความสงสัยแล้วว่ามันทําแบบไหนมันมันเหมือนนักกีฬาเลยมันเหมือนนักกีฬานะพอเราซ้อมไป่บ่อยก็เราซ้อมไม่บ่อยเวลาเราเต้นเนี่ยมันไม่ต้องใช้ความคิดแต่มันใช้สัญชาตญาณมันใช้ความรู้สึกขนาหน้าที่มันมันมันพาเราทําเนี่ยพาเราทํามันไม่ต้องแบบ คิดก่อนนะอะไรนะอืมันจะมันจะมันจะเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเองมันมันเลยหาทาอธิบายได้ยากแต่ถ้าอธิบายง่ายกเหมือนมันทําักขว่างได้ไม่ว่าจะใช้ความคิดพอดีทำนักว่าววานได้หรือถ้าเกิดอารมณ์เลยยังเห็นแท้มาแล้วก็รู้สึกตัวแท้เข้ามาได้แต่ก็การฝึกในการ เมื่อไหร่ก็ฝึกไปกันะหาเวลาเด็กเล็กั้หน่อยมันจะได้วิธีเด็ทั้งวันเดปฏิบัติในรูปแบบก็ดีอยู่ว่าพอกิจวัตรบางอย่างแล้วก็อืมตัวนี้ตั้งใจทำกิจวัตรตัวนี้นะอืมเย่าพึ่งเราเรื่องงานมาแทรกนะไหนอีกนี่ยมีใครอยากจะเล่า โกรธอยก็คือก็จะพยายามฝึกตัวเองได้ว่าไ ม, ไม่ไปขับแข่งกับเขาหรือไม่ไปทอะไรที่เป็นการแบบลานแค้ั <c oughs> นนันคือคือคือรู้ว่าตัวเองโกรธแต่หลังๆเนี่ยออพอรู้ว่าตัวเองโกรธ แ, แ, แล้วความโกรธนั้นก็ไม่ก็ไม่ได้หายไปแล้วมันเหมือนกับเกิดปรุงแต่งขึ้นมาซ้อมว่ารู้สึกแยว่าอ้าวทไมยังโกรธอยู่มันก็เลยกลายเป็นรู้สึกแย่เยมันเหมือนยางไม่ลง เพราะฉะงที่างทีที่อยากจะวัดตูวนะว่าบางทีเราบางทีเราปฏิบัติเราแต่รู้สึกว่าเราอยากให้ดีเราก็จะต่อต้านเขารู้สึกที่นไม่ดีเป็นอะไรกันบ้างบ้างแต่เช่นก็ดูมันเฉยเฉยดูมันเฉยเฉแต่ถ้ามันรู้สึกว่าดูแล้มันเฉยไม่ได้เช่นเรารู้สึกโกรธตัวเองอีกทีนมาซ้อนนะเราโกรธตันอื่นแล้วก็โกรธตัวเองที่โกรธ ถ้าแบบนี้ก็อาจจยกลับมากายก็ได้อืบางทีการกลับมากายบางคนก็เป็นการหนีในการดูหรือเปล่าอันนี้ใช้ถ้าเราดูแล้วมันรู้สึกแยกตัวเองมากๆแล้วก็มันดูไม่ได้เราก็มาตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่อ ม, มีสติในการดูกายใหม่ครั้งที่หนก็จะ้จแต่เราก็จะเป็นการมปวดแต่หายหรือไม่ไหายแต่เราเป็นตาม เราก็จะเห็นความโกรธได้แต่ถ้าใจเราพอเดียวดูได้แล้วก็ดูดูเฉยๆก็จะเห็นกระบนการเกิดจากของความโกรธเราก็จะศึกษามองดูดูกายอันนี้มาแทะแทะคอคอ้นนิ้วอะนะหรือว่าหายใจแทะเข้าไปมันก็จะทําให้ความโกรธก็จะให้เราจนทั้งทั้งเมื่อไหร่นะ สติมันไปเจเาาทท้าอกของโกรธจริงๆคือมันมันคล้าๆโกดแบบ้คุณมาสติทานพรีนะมวามโกรธจะหายไปแต่หน้าตาตาจะเราจะอมันสลายไปแบบไม่มีตัวตนเลยนะถ้จาจิตจําสภาวะเดี๋ยวนี้ได้เท่า น, นี้ผมแย้คุณมาอีกทีปุ๊บทัน ท, ท, ทีเลยเหมือนมือนนอกนะจับปลานะมาเห็นนกกระเต็นนะไป เที่ยวน้ำตกน้ำตาลกอบอยู่ก้อนหินนะมันก็มองธรรมดาเหมือนไม่สนใจ่ปลาอยู่ที่ไหนก็เรื่องนะมาอยู่ข้างหลังขึ้นน้ำตาลก็เปิดกับหลังนะจับปลาเล็กๆได้มันเหมือนมันแม่นยาำพอดีมากถ้าสติเอาเร็วนะมันก็จะเหมือนจับปุ๊บทันทีแต่สิ่งสาคัญ ก็ดีแรับคือเราถ้าอารมณ์ในที่เราไม่ไปกระทําหรือไปคพูดนะเราก็เราก็อาศัยครับศึกษาเขาเรียนรู้รับแต่ถ้ามันแรงมากเราก็ต้องหายให้พ้นครับให้มันลดอารมณ์ตรงนั้นแทนนะบางทีนักปฏิบัติความโกรธความอิ้ช้าความคิดไม่ดีอะไรต่าง มันจะชวนีห well, be well. ้เรารู้สึกไม่พอใจตัวเองที่เรารู้สึกแบบนั้นแต่เราปฏิบัติไปหรืออะไมันอาจจะมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่ารู้สึกแย่ตัวเองที่คิดคิดแบบนี้หรือที่รู้สึกแบบนี้แต่พอเราไค่อยู่ไปเรื่อยๆจะเห็นว่ามันก็เป็นเหมือนเป็นธรรมชาติอย่างนึงนะแลอวเราก็จะรู้สึกเราก็จะรู้มันได้ต่อไปเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมามันจะแยกได้ว่า ที่จริงที่เราทุกนะเพราะเราหลงไปคิดว่าความคิดนี้เป็นเราความรู้สึกนี้เป็นเราแต่พอปัญญาเราเรียกได้ว่ามันก็เป็นเพียงแค่อารมณ์หรือเป็นแค่ความคิดมันไม่ใช่เราเมื่อที่เราเห็นว่าอารมณ์ความคิดนั้นไม่ใช่เรามันก็ปางเองมันไม่รู้สึกเป็นทุกข์แต่เป็นทุกข์ก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรา โดยดีนะมันจะเกิดความรู้สึกควเป็นเราขึ้นมามันคือเหตุของความทุกข์เมื่อเราสติเราเห็นมันจะมันก็เป็นแค่อาการอาการของปิดใจมันคุงเป็นเพียงแค่อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นเป็นอาการเป็นอารมณ์แยกได้มันก็ไม่มีเราเมื่อไม่มีเราเราก็ไม่ทุกข์มันก็เป็นแค่ปรากฏการณ์เดียม เ น, นี้ยรียกว่ามันมีปัญญาอันนี้คือปัญญาที่มันจะทําให้เราค้นทุกข์จริงๆนะอะแต่ถ้าเราทําเพียงแค่ตสมาธิไม่มีความสงบได้มีความสบายมันจะไม่เกิดปัญญามันก็เหมือนจิตได้พักชั่วขณะแล้วก็มเมื่อมาเจอมันก็ความเป็นเราก็ก็เกิดขึ้นบ่อยครั้อองแต่ที่จริงเราก็เนี่ยเราก็ประมาณนั้นรู้สึก ตัวทีละครั้งที่จริงแล้วก็มันก็ไม่คิดทีละครั้งนะั่นอืะ ม, มันก็ค่อยๆสะสมสติสะสมปัญญาไปเรื่อยเมื่อไหรที่มันเกิดการแยกแยกรูปแยกนามนะเห็นอาการของรูปกอาการของนามตามต่อจริงๆเห็นไตลักษณ์ของรูกของนามจริงๆนะเก็จะเห็นไตลักษณ์ของรูกของนามนะ่คือปัญญาค่ อ, คอยๆพัฒนาค่ อ, คอยๆโตขึ้นมา เราจะเข้าใจเรื่องของชีวิตจริงๆมันก็จะเกิดเลยนะนี่คือการเจษษริญวิปษษษัสสนาหรือการเจริญสติมันจะค่อยๆเกิดลําดับนี่ซึ่งมันเป็นปัญญาที่พระพุทธเจ้าท่านท่านเรียนรู้แล้วก็วเห็นแล้วก็มาบอกพวกเราซึ่งมันมันเป็นเรื่องที่ก่อนมีพระพุทธเจ้าไม่ใคยสอนแบบนี้ <c oughs> แต่บางคนในที่ก็ศาสนา ค, คาคือเรื่องไปรวาสคือเรื่องทำบุญคือเรื่อง รับศีลคือเรื่องอะไรต่างของนั้นมีมาก่อนอยู่แล้วแต่ศาสนาก็จริงๆกนะ็คือทํำไมเราถึงเกิดความรู้ตัวเนี่ยคำว่ารู้ตัวรู้สึกตัวนะพุทธะคือผู้รู้นยผู้ตื่นตื่นออกมาจากอะไรตื่นออกมาจากความคิดตื่นออกมาจากการที่เราปเป็โตบในอารมณ์ตื่นจากการที่เราหลบไปยึดเพื่อเป็นตัวตนของเราตื่นออกมา เห็นเป็นเพียงแค่อาการตื่นออกมาจากกิเลสพอตื่นมาจริงๆก็เบิดบานเนี่ยคือรั้ทันทีน่ะแล้วที่จริงก็ไม่ต้องรอตอนไหนนะที่จริงสังเกตตอนที่เราทําแบบนี้นะมีความรู้สึกวนก็ตื่นทีละครั้งเป็นการตื่นทีละตื่นทีละครั้งทีละครั้งเนี่ยทําตอนเนี้ยก็ตื่นตอนนี้ไม่ได้ยากเกินไปแต่ แต่มันต้องละสายทำไปบ่อยมันเหมือนแค่ตื่นขนาหนึ่งแล้วอดีตที่มันเคยสะสมกองลมก็จะทำให้เราดึมตัวถ้าต้องตื่นไปตื่นไปบ่อยเหมือนก็ใอยากจะค่้ตื่นขึ้นไปบ่อยนะตื่นยังไงนาะยนดาวเยมเรื่อสั้งไหม วันนี้คือสิ่งไ่นไหนผู้ชายคก็ไม่รู้สึกอะไรเป็นแต่ว่าประทับใจเมื่อเช้าอะครับคือเรียนแพทยจาร์โมซ่ามาครับที่ว่าคือสงสัยมานานแล้วที่เขาบอกว่าอยู่กับปัจจุบันอย่างตื่นรู้คือคือรู้อย่างไร ก็ยัไม่เข้าใจเพราะว่าหรือว่าเราทําอะไรอยู่ว่ามีสมาธิกับสิ่งนั้นแค่นั้นหรือก็ยังคิดมาตลอดว่าใช่หรือเปล่าเอ่อเมื่อ เ, เช้าก่อนที่จะอาจารย์โรจน์จะไปฉาบเพลงแล้วก็ได้บอกว่าเอ่อที่ท่านบอกว่าที่ท่านถามว่าเราคิดถึงอนาคตหรือคิดถึงอดีตแล้วมันเกิดทุกข์เนี่ยมันเป็นความทุกข์อนาคตหรือเป็นความทุกข์ของอดีต อน้ทบอกว่าไม่ใช่มันเป็นความทุกข์ของปัจจุบันเพราะฉะนั้นให้เรามีสติแล้วเราไม่คิดถึงเรื่องอนาคตถึงเรื่องปัจจุบันมันก็คือการที่ตื่นรู้แล้วก็อยู่กับปัจจุบัน ก, ก็เท่านั้นแหละครับที่วันนี่ที่ผมพัติมันตอบคำถามที่ก็ คือผมก็อ่าห น, นังสือไม่ก็มีแบบคนบอกว่าอยู่ปัจจุบันอย่างตื่นรู้แม้กระทั่งละครเรื่องพระพุทธเจ้าที่บอกว่าเพลงตอสุดท้ายว่าให้เราอยู่อยา่างกับปัจจุบันอย่างตื่นรู้เยก็มันก็ยังไม่เข้าใจแต่เช้าท่านโน้นท่านนั้นอธิบายผมว่าเข้าใจวันนี้ที่ได้ครับส่วนเรื่องการปฏิบัตินั้นก็เท่าที่ปฏิบัติมา ก, ก็หลายปีครับมก็ ว่าพุ่งสร้างให้ก็พุ่งสร้างอาจารยาพูดไว้ให้ก็ก็่อย่างนั้นก็คือบางทีทำไปจนเคยชินจนมันชินไปหมดแล้วแล้วองใช้ตั้งบอกว่ายกมือไปก็อาจจะง่วงไปคิดพุ่งสร้างไปมันก็เกิดทั้งหมดกันเพียงแว่าสิ่งเหล่านั้นมันค่อยๆทําให้เรารู้สึกตัวขึ้นมาก็ ก็มีหลารคนก็ก็จะพูดประมาณตรงใส่ประมาอยู่กับปัจจุบันน่ะอยู่กับปัจจุบันก็จะมีคําสอนเนื่องกันอยู่กับปัจจุบันที่ที่เยอะะคแต่ที่จริงน่ะเรื่องตั้งแต่อยู่กับปัจจุบันคืออยู่กับสิ่งที่เราทําเราทําอะไรแล้วแท่เราก็อยู่กับสิ่งที่เราทํนก็เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันหรืออยู่กับปัจจุบันอิสยานันแหละ เมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจในปัจติบันเรารู้ทันเรารู้ทันเอมันมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราเห็นมันเนี่เราก็พอเรารู้มันเหมือนทีจริงเหมือนเราพอเราเห็นทุกข์นะจริงถ้าเราเห็นทุกข์จริงๆริงมันตบางถ้าเราโกรธโกรธคนอื่นหรือโกรธตัวเองว่าเราเห็นเลยมันมีความทุกข์เห็นจริงๆนะมันตวบาง สไ ม, ไมัยพุทธเจาทสอนนี้ที่ ส, สัตวีสอนเนื่องแรกคือทุกข์เพราะว่าเมื่อไรที่เราเห็นทุกข์เราจะาเข้าใจว่าเหตุของทุกข์มันเกิดจากอะไรแล้วถ้าเราจะพ้นจากความทุกข์ได้นั้ น, นทุกอย่างถ้าเราเห็นนะการยึด อ, อะไรเริ่มมันเห็นให้ทุกขนะ์เน่ยมันมันมันวางอย่างมาเท็ก็เคโกรธมากๆเคโกรธเราก็โกรธ็นลืงตัวนะพอมีมีคนทักว่า เหมือนเรากำลังแบบโกรธอยู่นะพอเรากลมาเหตุของโกรธเองก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะตอนนั้นก็แล้วมันก็คลายตัวเองนะมันก็เอออันนี้สมันแต่นั้นยังไม่รู้เรื่องเรื่องกายจิตสติอะไรนะก็แตเดียงแค่พอเราโกรธมากๆพอกลับมาดูมันมันก็คลายตัมันได้เนี่ยมันหมายว่าการเห็นทุกข์เป็นสิ่งที่สําคัญทนะุก ทุกที่เรายึดที่เราสือที่เราแบกไว้นะ่ะคือตัวสําคัญเคยทุกพ่ความยึดกบบดีไหมแต่ยึดทุกพ่ความคิดว่าเราถูกไหมเนะคยยึดเพราะว่าเราไม่ผิดไหมเนะี่ <c ười> คนนะ้บางคนติดดีก็ทุกแบบดีไปเยอะนะทุบเพราะว่าเราคิดว่าเราทํา ด, ดีแล้วนะบา <c ười> งทีก็ พระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธในการทํำดีนะไม่ได้ปฏิเสธแต่เรียนว่าท่านท่าไปสอนไม่ทำจนช่วยไม่ทำควาดีทำจิตให้บ่อยสุดทําไมก็เมียที่ต่างมาสากต่ทุกสิ่งว่าบางทีทําดีแล้วก็ยังทุกข์เพราะว่ามีทําครูก็เห็นทุกข์ก็ไม่ดีเลี้ยงลูกดีแล้วลูกไม่เชื่อฟังก็หมลูกก็ทุกข์ก็เรื่องลูกก็ตื่ทุกข์ทำดีก็ทุกข์ แต่ถ้าเราทําดีแล้วมีสติเราจะทําดีแล้วก็วางได้วางได้แต่ถ้ามีเหตุเราต้องทาใหม่แก้ไขใหม่แต่ก็ยอมรับผลที่ถือขึ้นได้อันเนี้ยสติก็เลยจะมากจำกับเวลาเกิดความคิดไม่ดีสติก็จำกับไม่ให้ทำหรือทาไปแล้วบางคนถ้าขาดสติก็ยิ่งเสียใจไม่น่าทําเลยก็ยิ่งทุกข์ซ้ําไปใหญ่แต่ถ้ามีสติมันก็ทุกข์นิดหนึ่งแล้วก็วางะทุกข์นิดหนึ่งแล้วก็วาง เนี่ยแหละคือถ้าทำดีก็เหมือนกันทำดีแล้วเขาไม่ทรงทำดีแล้วนั่นนี่แล้วก็วางได้เหมือนกัน ม, มีอะไรอีกไหมใครอยากจะทานก็เชิญนะ ไมีนะพอเข้าใจเนาะเราพี่จิงไม่มีอะไรมากนะเปี่ยนแต่ว่าเราจะขยันคือแบบเนี้ยเราจะแก้รู้เฉจเฉยมันก็พี่จิงการสอนให้ให้เข้าใจวิธีปฏิบัติมันก็ประมาณนั่นแหละพี่จิงไม่แต่ฟังเทศจุรายอาจารย์อ่านสือมันก็เข้าใจเหมือนกันแต่เราจะทําได้มันก็เี็นเร่นึงนะ เรามเข้าใจอาจจะเรื่องความจําเรื่องการคิดวิเคราะห์นะแต่มันมีปัญญาอย่างที่นเรื่อปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติหรือจะเนี่ยเกิดจาการภาวนามันก็จะเป็นปัญญาที่เราทําได้แล้วต้องถามนี่ยเรารู้แล้วเราทําได้ไหมใช่ไหมเรารู้แล้วถ้าเรายัางทําไม่ได้มันก็เป็นความรู้บางทีก็ยังใช้ไม่ได้เหมือนเรารู้ในทฤษฎียมะเหมือนเรา มันเพื่อนปู่มีปัญหานะเาให้คำปรึกษาได้แต่พอเราเจ อ, เ ร, เ, จอเราเจอเรื่องเดียวกันนั่นแหละนะอแล้วก็แล้วก็เราก็ทุกนะเพราะว่ามันยังทาไม่ได้มันทีชับพุทธเราก็จะเป็นแบบนี้เยอะก็ตือรู้นะแต่ยังทําไม่ได้แต่ถ้าเราเป็นผู้ที่ไม่ประมาทอะไรที่เรารู้เราก็พยายามทำให้มือนได้ปนะฏิบัติธรรมก็เหมือนเป็นการดับทุกในตอนนี้นะมันสีทุก คิอนาคตพวกคิดอดีตก็หลับตอนนี้เราก็เป็นความไม่ประมาทถ้าเราต้องเจอเรื่องไม่ดีในชีวิตในอนาคตเนี่ยต่างเราก็จะได้อ๋อเมื่อไหร่ที่เราเป็นมะเรงเมื่อไหร่ที่เรามีปัญหาแล้วก็เออเคยฝึก แ, แล้วมันก็จะมีสติตัง้งรับไม่ตกใจไม่ทุกข์ใจมากนะก็เนี่ยทําให้มันได้ครับถ้าใเช้ประโยชน์ก็เอาไปทำนะ ทำวันละเล็กวันละน้อยนะมันก็จะเราจะเห็นคุณค่าของการภาวนาเองแต่ถ้าใจยังไม่เ็นประโยชน์ก็จะมีตอนหนึ่อยู่ตอนที่ทุกมมากๆก็อาจจะมาคิดถึงการปฏิบัติธรรมแต่ก็รู้นะบางทีถ้าเวทนาลักหนักก็จะ อ, อยู่หรือเปลาะะ่นานะก็ไม่รู้เหมือนกันเคยสอนคนนะเห็นคนป่วยอะไไปเยี่ยมเทียงข้างา แต่เพลนี้เขโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันก็อือก็สงสารเขานะเขาเลยรอก็อือก็บอกเขาพโทนนะพูโพูดโเอาแ็เปลี่ยนจากโอ้ยโอ้ยพูดโพูโพูโได้ไม่กี่รอบอะโอ้ยเดิม มันต้อรำาญมากก็ถามหมอให้ยาแค้ปวดก็ไม่ได้แล้วไม่ไม่ได้พอดีหมออยากจะดูอค่ะไอเสีย่างก็ยังไม่ให้มางทีแล้ก็เรียกว่าเขาก็มันไม่มีทางเลือก่ะมียาอาจจะช่วยแต่หมอยังไม่ให้หมอไม่ให้แล้วก็ช่วยไม่ได้ก็แล้กรรมฐานที่ไม่เติบตึกมันก็ได้ทีหน่อย แล้วก็บอกแค่ตอนนั้นเราก็ต้องไปที่อื่นสว่างแต่ก็แต่ถ้าขา้อเียกสุดน่ะจะมีมีเครื่องอยู่อย่างน้องมีหมอได้ถามป้อง เ, เขียนปวดมากไหมเหมือนน้องขไม่สแสดงการปว ด, ปวดหมอก็ถามปวดหนะึ่งถึงสิบ่ะปวดเท่าไหร่มากกว่าสิบแล้ว <c oughs> ทําไมน้องข้อไม่สแสดงการปวดก็อย่าไปเป็นตำนานสินจะไม่ปวดนี่คือ ถ้าจิตที่ฝึกดีแล้วเขาันเจอแบบนั้นก็มันก็ทได้เลยนะแต่บางคนไม่เคยฝึกอาจจะต้องมาเริ่มแต่ถ้าเริ่มตอนที่มันตุ้มมากๆบีก็ไม่ง่ายนะอืมนะกับปากเลย